ในช่วงคุยธรรมะในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์ 2 รูปแบบแบบนั่นคือการปฏิบัติ กระบวนวิสัยก็อย่างเช่นว่าธรรมะเนี่ยอ่าถ้า ฤชาการคบเพื่อนดีพวกนี้ถ้าเราทําเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติธรรมละปฏิบัติ เอ่อในช่วงนั้นแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาไม่ทําอะไร นั่นอย่างถ้าเป็น practitioner เนี่ยคือผู้ปฏิบัติๆมาสักอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยคุณ practitioner ในด้าน practitioner ในด้านไหนเค้าๆนั่นเองและ ก็คือยังมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันแล้วคุณเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําคุณตื่นเช้ามาอ่าว ผมไม้เนี่ยพอเค้าสายๆหน่อยค่อยคลายออกก็ได้อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติ นั่นคือไม่ใช่ว่าการปฏิบัติก็ด้าน ในทุกๆมุมในถึงจะเรียกว่าเป็นเพชรที่งดงามได้เหมือนกันเช่นเดียว มันเกิดทำไมชีวิตของเราเนี่ยแวววับที่ใจเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราฟังรายการนี้อยู่หรือฟัง พิมพ์ได้อย่าง Facebook บ้างเดี๋ยวไป Twitter บ้างเช็คข่าวคนนั้นคนนี้ 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนั้นตั้งมั่นอยู่กับ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 ปุรุชาใช้คําว่าสิกขานะถ้าปุรุชาต้องการจะแยกอ่าส่วนที่เฉพาะการเรียนอย่างเดียวออกมาเนี่ยจะใช้คําว่าปริญญานะจะแยกออกมาด้วยคําว่าปริญญานะปริญญาคือคุณเรียนอย่างเดียวนะคุณยังไม่ได้เอาไปใช้ เอาคุณเรียนจบ ป. 6 ก็คุณไปต่อ ม. อ6 1 นะจบ ม. 6 คุณไปต่อสายอาชีพก็มีอะไร คุณจะเรียนเป็นช่างปั้นหม้อหรือเป็นช่างไม้อย่างฝึกช่างไม้เขาก็จะสอนให้คุณทําก่อนอีกเป็นคุณเป็นลูกมือก่อนเป็นลูก คุณไปหาคู่มือมันไม่มีให้อ่านนะคู่มือการฝึกขับจักรยานคุณเสิร์ชใช้อินเทอร์เน็ต 5 อย่างเอ้างั้นเรา นั่นก็ทําได้ทันทีผู้จะใช้ตรงเนี้ยเรียกว่าคําๆแล้วคําว่าศึกษาเนี่ยโดยส่วนตัวมาเองมันมันกินความแคบมันหมาย กระโดดลงไปในน้ําเลยจมกลืน 2 ึกเดี๋ยวมันก็เป็นละนะมันฝึกไป นี่ยังเป็นธรรมชาติด้วยอย่างเราเห็นหรือว่าคนที่ฝึกงานในโรงงานก็ตามเนี่ยถ้างานตามหรือว่าพยาบาลฝึกงานๆกังๆเว้ยมัน 10 ปี 20 30 ปีแล้ว มาไว้ในสุขประสบการณ์ของเราเนี่ยให้อย่างมากอย่างชํานาญอย่างต่อเนื่อง 1 คุณทําถูกนะทําเรียกว่าแล้ว 2 ทําบ่อยๆแล้วคุณ ทำบ่อยๆทําไงก็เนี่ยอย่างปฏิบัติอย่างซ้ําๆย่ําๆเนี่ยรู้มันหัวใจไปบ้างนี่มาถูกทางแล้วนะเริ่ม เอ่อน้ำซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็กินน้ําตาลเข้าไปแล้วก็กินหมูกินแล่เข้าไปแล้วที่พระเจ้าแยกแยะออกให้ดู ที่เราจะมีรสชาติมีชีวิตชีวานะมันเป็นจิตที่สบาย นะเตรียมพร้อมที่ว่าจะป้องกัน 2 รูปแบบนะเราจะต้อง นะทําให้เป็นธรรมชาติทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างซ้ําๆย้ําๆเราๆก็ดีขึ้นมาด้วยเหมือนกัน นะ, อาตมาพระไป